นั่งก่อนนะเดี๋ยวจะพูดธรรมะก่อนพูดธรรมะเสร็จแล้วค่อยถวายของยางนี้เปลี่ยนเปลี่ยนขั้นตอนใหม่จะได้เหมือนกันทุกวันธรรมดาวันเสราร์อาทิตย์ก็จะแสดงธรรมแล้วค่อยถวายของแต่วันธรรมดาเห็นว่าบางทีคนน้อยแล้วอาจอยากจะรีบกลับบ้านไปก่อนก็เลยให้ถวายของก่อน แต่เดี๋ยวนี้คนมามากขึ้นก็เลยคิดว่าทำเหมือนกันทุกวันไปจะได้ไม่งงไม่สับสนวันนี้ช่วงที่สองช่วงที่เป็นช่วงถามคำถามประมาณบ่ายสามโมงไปปกติก็จะถามเป็นภาษาไทยแต่วันนี้จะเป็นชเป็นวันที่จะ ตอบคำถามที่ถามมาเป็นภาษาอังกฤษมีชาวต่างชาติส่งคําถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ก็ได้ประมาณเกือบสามสิบคำถามก็จะรวบรวมแล้วก็มาถามกันมาถามตอบกันในวาระเดียวกันซึ่งเดือนหนึ่งก็จะมีสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันของ วันนั้นคือวันที่จะถามตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษท่านที่ถามภาษาไทยก็ขอกดไวหนึ่งวันแต่ถ้าอยากจะถามก็ถามเป็นภาษาอังกฤษมาก็ได้ก็จะตอบเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปตัดตอ่อแยกออกไป เซฟไว้ใน YouTube อีกช่องหนึ่งช่องด a มมะ in English ถ้าใครอยากจะฟังคำถามตอบภาษาอังกฤษใน YouTube ก็เสิร์ชคำว่าด a มมะ in e n g l ก s h ก็จะมีคำถามที่ได้ถามตอบบันทึกไว้การถามตอบคำถามนี้ก็เป็น ขบวนการของการเรียนรู้เหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะเรียกว่าเป็นขบวนการเรียนรู้ความรู้ขั้นที่หนึ่งขบวนการเรียนรู้ความรู้ทางธรรมนี้แบ่งไว้เป็นสามขั้นด้วยกันเหมือนกับะบวนการการเรียนรู้ทางโลก ก็เป็นสามขั้นเหมือนกันทางโลกขั้นที่หนึ่งก็ต้องเข้าห้องเรียนเพื่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์วิชาต่างๆพอเรียนเสร็จก็เข้าไปสู่ขบวนการขั้นที่สองคือรักษาความรู้ให้อยู่กับใจก็ต้องเอาไปทำการบ้านแล้วก็ไป ทำการบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจพอเกิดความเข้าใจก็จะจำได้แล้วก็จะเวลาสอบก็จะสอบผ่านได้การสอบนี้เพื่อประเมินว่าความรู้ที่ได้เรียนมานี้อยู่ยังอยู่ในใจยังอยู่ในสมองของเด็กที่เรียนกันหรือเปล่าถ้าสอบตกก็แสดงว่า ความรู้ที่เรียนมาไม่อยู่ในใจไม่หลงเหลืออยู่ในใจหายไปหมดพอมีการทดสอบมีการถามก็ไม่สามารถตอบคำถามต่างๆที่ได้เรียนมาได้ก็แสดงว่าต้องกลับไป เ, เรียนใหม่ไปทำการบ้านใหม่ไปอ่านหนังสือใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้วก็จะจำได้ครั้งต่อไปเวลาสอบก็จะสอบผ่านก็จะไปสู่กระบวนการที่สามคือการนําเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์พอเราเรียนจบปริญญาเราก็สามารถไปสมัครงานเอาบัตรเอาใบปริญญาไปแสดงว่าเราได้ผ่านการศึกษาขั้นระดับนี้มาแล้ว สามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้นี้มาทําประโยชน์ให้กับบริษัทที่เราต้องการจะทํางานด้วยได้เขาพอดีถ้าเขาต้องการคนที่มีความรู้เขาก็จะจ้างแล้วก็เอาไปทํางานถ้าถ้าความรู้ที่ได้เรียนมาไม่หลงไม่ลืมยังอยู่ในความเข้าใจยังอยู่ ในจิตใจอยู่ก็สามารถทำงานทำหน้าที่ที่เขามอบหมายให้ทำได้ก็จะได้รับเงินเดือนเป็นผลตอบแทนอันนี้เป็นขบวนการเรียนรู้ทางโลกนะมีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเรียนจากอาจารย์เรียนความรู้ต่งางๆจากครูบาอาจารย์เมื่อเรียนแล้วก็ต้องเอามา พิจารณาค่ายควรทบทวนให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมถ้ามีความเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมเนี่ยแล้วพอสอบทดสอบประเมินผลก็จะสอบผ่านก็จะได้รับใบป ร, บริญญาใบประกาศทะเบียนบัตรเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการทำงานต่อไป การเรียนรู้นี้พุ่งไปสู่ขบวนการขัน้นที่สามคือเก่าความรู้ถ้าได้เรียนมานี้ไปใช้ประโยชน์ทําให้เกิดประโยชน์ทางโลกก็คือได้รายได้จากเอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาพอไปสมัครงานเขาก็รับเข้าทาํางานเช่นเป็นแพทย์เนี่เป็นพยาบาลเขาก็จะให้ไปรักษาคนไข้ถ้า รักษาไม่ได้ก็แสดงว่าอไม่ได้ผ่านมาจริงไม่ได้ไม่ได้สอบผ่านอาจจะไปปลอมใบประกาศมาแตถ้าไปทํางานไปรักษาคนไข้ได้ตามที่ได้เรียนมาอก็แสดงว่าได้ความรู้ที่ได้เรียนมานี้เอามาใช้ประโยชน์ได้น ความรู้ทางธรรมที่เราเรียกกันว่าปัญญาก็มีอยู่สามระดับสามขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้จากผู้ที่รู้เรื่องของธรรมะผู้ที่รู้เรื่องของธรรมะก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เองพระพุทธเจ้าท่านตอนนี้จากพวกเราไปแล้ว ก็ต้องเรียนรู้จากพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกที่เป็นตำราตำราของพระพุทธศาสนานี้บรจุอยู่ในพระไตรปิฎกเรียนจากพระไตรปิฎกก็จะได้ความรู้ทางธรรมหรือถ้าไปพบกับพระอริยสงสาวุกผู้ที่ได้เรียนจบได้รับปริญญาทางพระพุทธศาสนา ได้บรรลุธรรมอริย ข, ขั้นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านก็มีความรู้ที่จะสามารถสอนความรู้ทางธรรมให้แก่ผู้ที่ไปศึกษาได้เห็นตอนนี้มาฟังเทศฟังธรรมกันเรียกว่าเป็นการมาศึกษาความรู้ทางธรรม ที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้กับ ต, ตัวเราเองประโยชน์ทางธรรมนี้ต่างกับประโยชน์ทางโลกคือไม่ได้เอาไปทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปหาไรายได้แต่เอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่หรือยังไม่มี หรือความทุกข์ที่จะมาเกิดต่อไปถ้ามีความรู้ทางธรรมก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้เป้าหมายของความรู้ทางธรรมกับทางโลกก็ต่างกันตรงนี้ทางโลกนี้เอาความรู้นี้เพื่อเอาไปหารายได้เพื่อที่จะได้มาบาบัดความทุกข์ทางร่างกาย เมื่อมีรายได้ก็สามารถที่จะหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องนุ่งห่มหาอาหารหายารักษาโรคเพื่อมารักษาร่างกายได้แต่ความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถเอามารักษาความทุกข์ทางใจได้ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก ก็ไม่สามารถที่จะความรู้ที่ได้จบมานี้มากำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้เพราะเป็นคนเราวิชากันวิชาทางธรรมนี้ไม่มีสอนในทางโลกในมหาวิทยาลัยทางโลกนี้จะไม่ได้สอนวิทยาทวิชาทางธรรมวิชากำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นมา ว่าจะกําจัดได้อย่างไรและป้องกันความทุกข์ที่ไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ต้องมาศึกษาทางธรรมต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยตอนนี้พวกเราเหมือนกับมาเข้าห้องเรียนมาเรียนวิชาทางธรรมกันการเรียนก็มีเรียนสองแบบเรียนแบบฟังธรรมหรือเรียนแบบ ถามตอบคําถามบางทีฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความสว่างขึ้นอก็เลยต้องมีการถามตอบช่วงแรกก็สอนให้เทศให้ฟังธรรมะในแง่ต่างๆผู้ฟังเมื่อฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ส่งคําถามเข้ามาเอ หรือบางทีวันนี้ไม่ได้พูดในแง่ธรรมที่อยากจะรู้ในช่วงถามก็สามารถถามได้เพราะธรรมะนี้มีหลายแง่หลายมุมหลายขั้นตอนด้วยกันจะพูดทีเดียวให้ครบทั้งหมดในนย่นยอมเป็นไปไม่ได้ก็พูดไปตามแต่ละเรื่องแต่ละ เ, เหตุการณ์ส่วนเหตุการณ์หรือเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้ยินก็ตอนช่วงถามตอบก็สามารถถามเข้ามาได้เป็นขบวนการเรียนรู้ขั้นที่หนึ่งทางพุทธศาสนาตั้งชื่อว่าเป็นสุตตะมายาปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งคือสุตตะนี่แปลว่าพสูตต่างๆที่ได้ยินพระเข้ามาทางหูสุตตะการได้ยินได้ฟัง ทางธรรมความรู้ทางธรรมเนี่ยเรียกว่าสุตตมา ย, ยาปัญญาจะเป็นสมัยนี้จะเป็นการฟังหรือการอ่านหนังสือธรรมะหรือการดูสื่อธรรมะต่างๆก็ได้ในสมัยพุทธกาลมีทางเดียวคือการฟังธรรมเพราะในสมัยพุทธกาลการศึกษา เรื่องการอ่านอ่า น, อ, านอ่านออกเขียนได้นี้ไม่กว้างขวางส่วนใหญ่จะสอนกันด้วยการใช้ปากบอกกันพูดให้ฟังเล่าให้ฟังกันจึงมาที่มาของคำว่าสุตมะยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยนี่ต้องผ่านทุกคนต้องผ่านกระบวนการขั้นที่หนึ่งก่อนเพราะเรื่องธรรมนี่เราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราไม่รู้ว่าอะไรที่จะทำให้กาจัดเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะถ้าเรากาจัดเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปเพราะความทุกข์ใจเป็นผลที่เกิดจากเหตุและถ้าเรามีวิธีกาจัดเหตุ พอเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้หายไปผลคือความทุกข์ใจก็จะหายตามไปอันนี้คือหลักของการศึกษาธรรมศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจคืออะไรและเหตุที่จะทาให้ความทุกข์ใจนั้นหายไปคืออะไรนี่อยู่ในกลุ่มของ ความรู้ในกลุ่มของพระอริยสัจสี่ 4. พระอริยสัจสี่ 4. นี้มีความจริงอยู่สี่ประการความจริงคือหนึ่งความทุกข์เื้องต้นก็สอนว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือการการเกิดพเราอาจจะคิดว่าเกิดแล้วจะทุกข์ยังไงทุกคนเกิดแล้วดีใจกันได้ลูกแล้วดีใจกัน แต่เวลาลูกมันร้องนี่ดีใจัหมลูกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าทุกตามมาล้วคนที่เกิดก็ทุกเนี่ยพอเกิดมาก็ร้องไห้ออกจากท้องแม่ไม่ได้หัวเราะไม่ได้ดีใจว่าข้าพเจ้าได้เกิดแล้วกลับร้องไห้พอออกมาก็ต้องหัวต้องหายใจเองนะ ถ้าไม่หายใจก็ตายแล้วเนี่นี่คือความทุกข์ขั้นที่หนึ่งแล้วทุกเพราะว่าต้องหายใจเวลาอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจอาศัยลมของแม่ที่มีอยู่ในท้องหล่อเลียงแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วทีนี้ต้องหายใจเองพอไม่หายใจปั๊บก็เกิดความทุกข์ขึ้นม า, ท, าทันทีเพราะจะตายนั่นเอง อะไรต้องหาย ใ, ใจกันเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ท่านถึงบอกว่าเกิดเป็นทุกข์แล้วต่อไปมันก็ทุกข์ตลอดเวลาทุกข์กับการทำมาหากินหาอาหารหาอะไรต่างๆทุกข์กับการรักษาดูแลร่างกายป้องกันภัยต่างๆที่จะมาะกระทบกับร่างกายต้องไป ฉีดยาวัคซีนอะไรต่างๆเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะมีสารพัดของความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นพอเกิดมาแล้วนะแล้วถ้าอยู่รอดไปจนถึงวัยชราก็ต้องมาทุกกับความแก่หนระือแล้วก็ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราเมื่อแก่แล้วก็มักจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้กัน พอร่างกายพอมันเก่ามันก็เหมือนรถยนต์รถยนต์ที่เก่ามันก็เริ่มเสียเดี๋ยวแบตเตอรี่ก็เสียเดี๋ยวยางก็เสียเดี๋ยวเครื่องก็เสียเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องเสื่อมไปตามเวลาร่างกายก็ต้องเสื่อมไปตามเวลามันก็จะเริ่มแสดงอาการเสื่อม โดยการแสดงการเจ็บปวดไปตามร่างกายต่างๆปวดท้องบ้างปวดศีรษะบ้างปวดแขนปวดขาบ้างปวดหลังบ้างสารพัดปวดนีนี่ก็คือความทุกข์เนี่ยความแก่ก็เป็นทุกข์เวลาแก่กำลังวังชาก็ไม่พร้อมไม่สมบูรณ์จะทำอะไรก็ยากยกของหนักก็ยกไม่ไหว เดินเองก็ยังเดินไม่ค่อยไหวอันนี้ก็เป็นความทุกข์ยากลาบากของความแก่ของความเจ็บและพอจะตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งมีอาการเจ็บปวดมีความทรมานใจ น, นี่คือธรรมะคาสอนข้อที่หนึ่งความจริงข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนํเอามาสอนพวกเราก็คือ ภาริยศส์ข้อที่หนึ่งคือทุกข์กษัตริย์คือความทุกข์ทุกคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายพอตายก็ต้องมีการพัดพรากจากกันพอคนนั้นตายจากเราไปเราก็ทุกข์ถ้าเรารักเขาเราก็ทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เขาถึงเวลาเขาก็ต้องตายจากเราไป เดี๋ยวก็ถึงเวลาของเราเราก็ต้องตายจากเขาไปเวลาเราตายคเขาก็ทุกเราก็ทุกเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพระพุทธเจ้าให้เรามาศึกษาทาความเข้าใจว่าชีวิตของพวกเรานี้เป็นชีวิตของความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เป็นชีวิตของความสุขถึงแม้จะมีความสุขแต่ความสุขนั้นมัน น้อยกว่าความทุกข์ที่เราจะเจอกันและความทุกข์มันจะมากลบความสุขไว้เสมอความสุขโผลมาเดี๋ยวเดียวความทุกข์เข้ามากลบล่ะเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เดี๋ยวพอความสุขใหม่โผล่ขึ้นมาความทุกข์ก็กลับมากรบมันใหม่งั้นสรุปแล้วชีวิตคือความทุกข์การเกิดแก่เจ็บตาย การพัดผ้าจากกาันการพบกับสิ่งที่เราไม่ต้องการจะพบเหรือบุคคลที่เราไม่ต้องการจะพบเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการจะพบก็เป็นความทุกข์เหมือนกันนะนํามาสู่ครับความรู้ขั้นที่ข้อที่สองว่าอะไรทําให้เรามาเกิดกันพรนะองค์ก็ทรงค้นพบว่าความอยากของเรานี่ ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเมื่อมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือก็ต้องไปมีร่างกายผู้ที่มาเกิดนี้ไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่มาเกิดคือดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้รู้ผู้คิดเวลามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่ร่างกายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่นั่นเองพระพุทธเจ้าเลยตัดว่านี่นะเหตุที่พาให้เรามาทุกข์กันมาเกิดกันมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดภาคจากกันก็คือความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยากจะใช้ตาหูจมูกเน้นกายพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เราหาความสุขแบบไหนกันนะก็หาความสุขจากการได้ดูอะไรได้ฟังอะไรได้ดมอะไรได้ลิ้มรสอะไร ไ, ได้สัมผัสกับอะไรนั่นเอง เวลาไม่ได้ดูไม่ฟังให้อยู่เฉยๆแล้วรู้สึกยังไงหงุดหงิดไหมถ้าอยู่เฉยๆไม่ให้ทำอะไรเนี่เหมือนติดคุกเนะี่ยต้องหาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังหาอะไรมากินหาอะไรมาดื่มนะถึงจะบรรเทาความหงุดหงิดลำคาญใจไดนะ้นี่คือเหตุที่พาให้เรามาทุกข์กันคือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากหาสิ่งที่จะมาสนับสนุนให้เราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างสะดวกสบายก็คือความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีใครไม่อยากได้เงินทองบ้างทุกคนอยากได้เพราะพอมีเงินแล้วที่อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตกันเพราะเวลาเป็นใหญ่นี่สั่งการสั่งอะไรได้ง่าย อยากได้อะไรก็สั่งให้เขาจัดหามาให้ได้ถ้าเป็นใหญ่เป็นโตมีอานาจเนี่ยก็ทุกคนเลยอยากได้เงินทองอยากเป็นใหญ่เป็นโตรหรืออยากจะได้รางวัลจากการกระทาต่างๆเยนยายได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยพอได้มาเหรียญเงินไหลามาเทมา พอได้เงินนี้อยากจะซื้ออะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรก็สามารถทำได้ก็เลยทำให้เกิดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้มาสนับสนุนในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็มีความอยากชนิดที่สามคือได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไม่อยากจะเสียมันไป พอได้มาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดพอเวลามันจากเราไปมันหมดไปก็ทำให้เราทุกข์อีกทำให้เราต้องไปหาใหม่อีกนี่คือความอยากสามประการด้วยกันที่เป็นความความจริงที่พุทธเจ้าได้ส่งคนพบเป็นความจริงที่เป็นอมะตะเป็นความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรมีความอยากทั้งสามนี้เหมือนกันหมดดวงวิญญาณทุกดวงจึงต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในไตรภพอยู่ในกามภพรูปภพและอารูปภพนี่คือความรู้ความจริงสองข้อข้อแรก ก็นำมาสู่ความจริงข้อที่สามคือความจริงข้อที่หนึ่งคือทุกข์ความจริงข้อที่สามก็คือการพ้นทุกข์นี่ก็ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเหมือนกันสามารถพ้นทุกข์ได้มีทุกข์แล้วอยากจะพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ได้อันนี้วิธีจะทำให้พ้นทุกข์คือความจริงข้อที่สี่ ความจริงข้อที่สี่ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการทำให้จิตใจพ้นจากทุกดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในใจนก็ต้องไปดับไปหยุดไปหยุดความอยากทั้งสามหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไปก็มีขบวนการที่จะมาหยุดความอยากนี้ เรียกว่ามักเป็นความจริงข้อที่สีทางสู่การพ้นทุกข์ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าอยากจะพ้นทุกข์ให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีลห้าศีลแปดแล้วก็ให้ไปหัดภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นโทษของความอยาก ว่าเป็นเหตุที่พามาให้เกิดความทุกข์ให้ตัดความอยากด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรได้มาแล้วหมดไปเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาถ้าสามารถปฏิบัติตามคำสอนทั้งสามข้อนี้ได้ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้พอความอยากถูกกาจัดไปหมดความทุกข์ก็จะหายไปหมดการพ้นทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี่นี่คือสิ่งที่เรามาศึกษากันเบื้องต้นศึกษาให้รู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ข้อนี้ว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรสองให้รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คืออะไร สามารถรู้ว่าเมื่อเกิดทุกข์แล้วเราสามารถทําให้มันดับได้และอะไรที่จะมาทําให้ความทุกข์นี้ดับก็คือมัคเครื่องมือที่จะมาทําให้ให้ทุกข์ดับก็คือการปฏิบัติตามคําสอนที่พวกเราปฏิบัติกันแต่พวกเราไม่รู้ว่าปฏิบัติกันไปทําไม สอนให้ทำบุญก็ทำกันสอนให้รักษาศีลก็ทำกันสอนให้ภาวนาก็ทำกันแต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่แท้จริงก็ทำไปเพื่ อ, อดับความทุกข์ต่างๆด้วยการหยุดความอยากต่างๆนี่เองถ้ามีสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ มื่หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ก็จะหยุดการเกิดได้หยุดการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ น, นี่คือสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันขั้นที่หนึ่งคือเรียนรู้ว่าธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีอะไรบ้างสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการดับทุก์นี้เองเรื่องทุกขและการดับทุกข์เนี่ย พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่าความรู้หรือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่มากมายที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็ประมาณแปดหมื่นสี่พันบทด้วยกันแต่ความรู้ทุกบทนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรนที่มีมากมายก่ายกองแต่น้ําในมหาสมุทรนี้มีรสอันเดียวกัน คือรสของความเค็มจะไปตักน้ําในที่ตรงไหนก็ได้ไปตักที่ภูเก็ตไปตักที่สงขลาไปตักที่ญี่ปุ่นไปตักที่อเมริกาแล้วเอามาชิมดูมันก็จะมีรสอันเดียวกันคือรสของความเค็มความรู้ต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษากันนี้ก็สอนเรื่องทุกข์และเรื่องของการดับทุกข์นี้เท่านั้นสอนเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้น นี่คือสิ่งที่เรามาศึกษาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามาศึกษาเพื่ออะไรเป้าหมายของพระพุทธศาสนานี้เพื่อสอนให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นทุกข์อันยาวนานพวกเรานี้ทุกข์กันมาแบบนับไม่ถ้วนว่าเรามาเกิดกันแล้วกี่ครั้งถ้าอยากจะ ต่อมาเราก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เอาน้ําตาที่พวกเรามาร้องกันทุกมาล้องไห้กันทุกครั้งที่เรามาเกิดมีใครไม่ร้องไห้บ้างไหมพอออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มหลั่งน้ําตาแล้วเริ่มร้องไห้กันแล้วถ้เาเอาน้ําตาที่เราหลั่งแต่ละครั้งนี้มารวบรวมกันในแต่ละชาติมารวมกันนี่ท่านบอกว่ามันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร ชานี้ร้องไห้ถึงน้ําขวดหนึ่งไหมน้ําดื่นที่เราดื่มกันนีะสมมติว่าร้องไห้จนได้น้ําตาขนาดขวดน้ําที่เราดื่มกันนี่เกิดดูว่าจะต้องกลับมาหาร้ อ, องไห้กี่ครั้งมาเกิดกี่ครั้งถึงจะได้น้ํามากยิ่งกว่าในมหาสมุทรนั่นแหละคือป ร, ริมาณของความทุกข์ที่พวกเราได้ประสบได้ผ่านมาและยังจะไม่หมด เพราะว่าเรายังไม่ได้มาศึกษาทำมาปฏิบัติรำเพื่อมาหยุดความอยากต่างๆกันพอเราตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาร้องห่มร้องไห้อีกจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจ ะ, ะตั้งใจมาเรียนจริงๆมาศึกษาแบบนักเรียนจริงๆนักเรียนเขาไม่ได้เรียนวันสองวันแล้วเขาก็ไม่ไปเรียน นักเรียนนี้เขาต้องไปเรียนทุกวันเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงนี้วันปิดเทอมแต่นอกนั้นต้องไปเรียนทุกคนต้องไปเรียนทุกวันถึงจะเรียนจบได้ถึงจะได้วิชาความรู้ที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้วิชาทางธรรมก็แบบเดียวกันต้องมาเรียนอยู่บ่อย อย่างน้อยเนี่ยโรงเรียนพุทธศาสนานี้เปิดทุกวันพระเห็นหมเนี่ยวันพระนี่เป็นวันไปเรียนธรรมะกันวันธรรมะสวัสดิ์เนี่ยวันพระท่านเรียกว่าวันธรรมะสวัสดิ์ธรรมะสวัสดิ์ก็แปลว่าการฟังธรรมนเนี่การศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้าบางวัดบางแห่งก็มีการพัฒนามีสอนทุกวันเนี่ย อย่างที่นี่มีเปิดเรียนทุกวันใครอยากจะมาเรียนก็มาเรียนได้ไม่ต้องรอวันพระเพราะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็สอนทุกวันะแต่ก็รู้ว่าทุกคนอาจจะมาทุกวันไม่ได้บางคนอาจจะมาได้เฉพาะวันพระก็เลยอย่างน้อยกําหนดให้มีวันพระขึ้นมาสักวันก็ยังดีให้หยุดทํางานสักวันหนึ่งแล้วก็มาเรียนทางธรรมกันมาหาความรู้ทางธรรม เพื่อจะได้มาแกา้มากำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไปฉะนั้นจึงถ้าอยากจะพ้นทุกข์จึงต้องเรียนแบบนักศึกษานักเรียนไม่ใช่เรียนแบบแบบญาติโยมเข้าวัดอาทิตย์ละครั้งนี้ไม่พอการเรียนอาทิตย์ละครั้งนี้เป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อมเมื่อยังไม่มีเวลามากพอก็ลองมาเรียนสักวันหนึ่งก่อน พอเรียนแล้วพอเห็นประโยชน์ของความรู้ว่ามีประโยชน์ช่วยทำให้ความทุกข์มีในใจมันเบาบางลงได้ก็อาจอยากจะเรียนเพิ่มมากขึ้นต่อไปก็อาจจะมาเรียนเป็นเป็นนักเรียนประจำก็ได้แต่เบื้องต้นให้เป็นนักเรียนสมัครเล่นไปก่อนมาเรียนมาฟังเทศฟังธรรมกันพอเราได้เรียนได้ยินได้ฟังแล้ว สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือรักษาความรู้ที่เราเราได้เรียนนี้ได้ยินได้ฟังนี้ให้มันอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆไม่ให้หลงให้ลืมวิธีที่จะไม่ให้หลงให้ลืมก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือให้ท่องจำท่องจำอริยสัจสี่มีอะไรบ้างมีความทุกข์มีต้นเหตุของความทุกข์มีการพ้นทุกข์มี ทางที่พาให้ไปสู่การพ้นทุกข์ตอนต้นท่องจาไปก่อนท่องแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมาวิเคราะห์ในแต่ละข้อให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกข์คืออะไรอ๋อทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรคือความอยาก ที่จะที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆจึงพาให้มาเกิดพาให้จิตใจที่เป็นดวงวิญญาณเวลาไม่มีร่างกายก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้เอาร่างกายอันใหม่นี้มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องอเอา เอาเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากเครื่องมือที่จะหยุดความอยากได้ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาต้องทําทานเวลาจะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทําบุญทําทานแทนเวลาจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากให้เอาไปทําบุญทําทานนแล้วความอยากใช้เงินมันก็จะหมดไป พมงเินไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้เงินไม่ก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่ต้องหาเงินก็ไปบวชได้ไปรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยสิบเจ็ดตามลำดับได้เมื่อบวชได้ก็จะมีเวลาปฏิบัติมีเวลาภาวนาได้มีเวลาทำใจให้สงบหยุดความอยากโดยการทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้รู้โทษของความอยาก เวลาเกิดความอยากก็ให้ใช้ความรู้นี้มาเตือนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปทําตามความอยากอันนี้ก็จะสามารถทำให้หยุดความอยากต่างๆได้พอความอยากต่างๆหมดไปความทุกข์ก็จะหายไปหมดอันนี้คือเราต้องมาวิเคราะห์มาพิ จ, จารณามาท่องมาจดมาจําให้เราไม่หลงไม่ลืม เรื่องของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากเรื่องของการพ้นทุกข์เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาพอเราจดจำได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะได้เอาความรู้นี้ไปไปใช้กับความอยากต่อไปตอนที่เราวิเคราะห์นี้ความอยากมันยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ความทุกข์ยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ ตอนที่เราฟังทมตอนนี้ความอยากก็ยังไม่ตายยังไม่หายไปความทุกข์ก็ยังไม่หายเพราะว่าขบวนการของการเรียนรู้สองสองขั้นแรกนี้ยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้นะต้องรอไปสู่ขบวนการขั้นที่สามของการเรียนรู้ คือขั้นแรกเราเรียกว่าสุตตมยาปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยาปัญญาคือจินตนาการความรู้ที่เราได้เรียนมาคิดถึงมันบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆให้เกิดความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ลืมไม่ลืมมารยารรสัตสีไม่ลืมทุกสมุทายนิโรธมรรคไม่ลืมมรรคคือทานศีลภาวนาว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกัน พอเราไม่ลืมแนละ้วทีนี้เราก็ต้องไปสู่ขั้นที่สามขั้นที่สามของขบวนการของการเรียนรู้คือเป็นขั้นปฏิบัติการนะพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราต้องไปปฏิบัติกันเพื่อให้ได้ความรู้ขั้นที่สามขึ้นมาคือภาวนาไมยับปัญญา สิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนานี่ถ้าเรายังใช้เงินกับความอยากอยู่เราก็ต้องหยุดหยุดแล้วก็เอาเงินไปทำบุญทาทานแทนจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆแล้วเราก็จะหยุดการใช้เงินได้ต่อไปเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปทำงาน เราก็จะได้มีเวลาออไปปฏิบัติศีลภาวนาได้ออไปบวชได้ไปถือศีลแปด เ, ออเป็นแม่ชีเป็นพระไดออ้พอเป็นแม่ชีเป็นพระก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิมาภาวนาสมถะภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาออสิ่งที่เราต้องการการภาวนาขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องการสมถะภาวนา เพื่อเราจะได้เอาความรู้ที่เราได้จดจำได้เข้าใจจากขั้นที่สองคือจินตามยปัญญานี้มาบวกกับสมถภาวนาคือความสงบเราต้องการความสงบเพราะในความสงบนี้จะมีอุเบกขาอุเบกขานี้เป็นตัวที่เราจะสามารถเอามาใช้หยุดความอยากได้เมื่อเรามีความรู้ ที่เราเรียนมาว่าทุกเกิดจากความอยากถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องกําจัดความอยากการจะกลับจัดความอยากได้เราก็ต้องมีกำลังกําลังของใจที่จะมาสู้กับความอยากได้ก็คืออุเบกขาที่จะได้จากการภาวนาสมถะภาวนาถ้าเรามีถ้าเราปฏิบัติได้สมถะภาวนาแล้วเรา มีความรู้ทางปัญญาคือขั้นที่สองจินตามัจย์ปัญญารู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากถ้าเรามีสมถะภาวนามีมีอุเบกขาพอเกิดความอยากเราก็รู้ทันทีว่าต้องหยุดมันคือไม่ทำตามความอยากถ้าเรามีสมถะภาวนามีอุเบกขาเราก็จะหยุดความอยากได้ หยุดความอยากได้ก็แสดงว่าเรามีปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่า ภ, า, ภาวนาไมายับปัญญาความรู้ที่ประกอบด้วยการภาวนาความรู้สองขั้นตอนแรกนี้ไม่ต้องภาวนาอย่างตอนนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราไม่ต้องไปฝึกนั่งสมาธิก็ได้พอขั้นที่หนึ่งเน้เพลงถ้าเรียนความรู้ว่ามีอะไรบ้าง ขั้นที่สองก็ยังไม่ต้องภาวนาก็ได้เอาไปทบทวนเอาไปคิดอยู่บ่อยๆไปพิจารณาเพื่อให้เกิดความกระจ่างเกิดความเข้าใจขึ้นม า, อาพอเกิดความกระจ่างเข้าใจแล้วว่าเราถ้าอยากจะพ้นทุกข์เราต้องกําจัดความอยากแต่ถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถหยุดมันได้ความรู้สองระดับแรกนี้ไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความอยากได้ เราจรึงต้องมาปฏิบัติภาวนากันมาสร้างสมถภ า, าวนาออพอเรามีสมถภ า, าวนาเราจะได้อุเบกขาพอได้อุเบกขาแล้วเราก็จะมีกาลังกำลังที่จะหยุดความอยากได้พอเกิดความอยากเราก็เอาความรู้ที่เราได้จากขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาเตือนใจมาบอกเราว่า อย่าไปทำความอยากนะถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากจะมาทุกอยู่อย่างที่เราทุ ก, กันอยู่ตอนนี้ให้หยุดความอยากเสียถ้าเรามีอุเบกขาที่ได้จากการภาวนาสามถะภาวนาเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้าการใช้ความรู้ที่ได้จากที่เราได้จดจาได้พิจารณามาใช้ควบคู่กับ เบคาที่เราได้จากสมถภาวนาก็คือการเจริญวิปัสนาภาวนานี่ เ, เราก็จะใช้วิปัสนาภาวนาเป็นผู้ที่จะหยุดความอยากต่างๆได้วิปัสนาภาวนานี้ต้องมีทั้งสองอย่างมีความรู้ที่ได้จากจินตามัยปัญญาความรู้ที่ไม่หลงไม่ลืมที่เข้าใจที่อยู่ในใจพร้อมที่จะเอามาใช้ ประกอบกับอุเบกขาที่ได้จากสมถะภาวนานะก็ไลยเรียกว่าวิปัสสนาภาวนานั่นเองเนี่ยนี่แหละคือการการที่เราจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้เนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้กระบวนการของการเรียนรู้เบื้องต้นก็ต้องไปศึกษาจากผู้รู้ ผู้รู้เรื่องวิธีดับทุกนี้ก็มีแค่สามคนเท่านั้นในมีคือพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเรียนจากใครก็ได้ทั้งสามคนนี้สามแหล่งนี้แหล่งที่หนึ่งไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าจากเราไปแล้วเหลือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือแหล่งที่สอง คือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือแหล่งที่สคือพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้เรียนและได้บรรลุได้สำเร็จได้หยุดความอยากต่างๆได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว <c oughs> ต้องไปเรียนจากท่านทั้งสามนี้เราจึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราณะ ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็ยังเหมือนกับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าถ้าเราไปศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้ถือว่าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปรสจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระธรรมคาสอนถ้าพวกเธอศึกษาพระธรรมคาสอนของเรา ก็เหมือนกับพวกเธอได้ศึกษาจากเราโดยตรงยันเรายังมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์อยู่ด้วยการไปศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือถ้าเราไม่สะดวกเราอ่านศึกษาไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องไปศึกษาจากภาษาวกของพระพุทธเจ้าคืออาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ถ้าเปรียบเทียพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ พระอริยสงสาวกก็เหมือนเหมือนผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สามารถสอนแทนกันได้มีความรู้เหมือนกันออก็ไปเรียนจากพระอริยสงสาวก <c oughs> เรียนแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่นี่เราจะได้รู้ว่าทุกข์คืออะไรอะไรทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วสามารถดับความทุกข์นี้ได้อย่างไรออก็เรียนไปเราก็จะรู้เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องเอาไป ทำให้มันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องไปทำตามที่สอนให้ปฏิบัติสอนให้ไปทำทานให้เปลี่ยนวิธีใช้เงินหาความสุขแบบที่ไม่มีโทษแล้วจะทำให้ไม่ติดคือการทำทานถ้าใช้เงินแบบตามความอยากมันจะติดซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากมันจะไม่หมด มันก็จะทำให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาภาวนาได้นั่นเองพระตถาจ้าดึงสอนมาขั้นต้นนี้ต้องหยุดการใช้เงินตามความอยากถ้าอยากจะใช้เงินก็เอาไปทำบุญทําทานอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินก็เอาไปทำบุญทําทานแล้วต่อไป <c oughs> เราก็จะไม่ต้องใช้เงินตามความอยาก เราก็จะสามารถที่จะมีเวลาที่จะไปภาวนาได้ไปรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองยสิบเจ็ดได้พอเราภาวนาเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดเราก็จะพ้นทุกข์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไป นี่คือกระบวนการของการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแบ่งไว้สขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาศึกษาจากผู้ที่รู้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. อจินตมยปัญญามารักษาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้เกิดความเข้าใจให้อยู่ให้ฝังอยู่ในใจให้ได้ เพอจะได้เอาไปใช้หยุดความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมาการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีอุเบกขาที่เกิดจากสามถคภาวนาก็ต้องไปหัดภาวนาไปหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบก็จะมีอุเบกขาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาที่ได้เรียนมาเตือนใจว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทําตามความอยาก ถ้ามีอุเบกขาก็จะสามารถทำตามที่ปัญญาบอกได้คือหยุดทำตามความอยากได้พอหยุดทำตามความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดนี่คือเรื่องของการศึกษาธรรมะเป้าหมายคือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปดับการเกิดแก่เจ็บตายที่มีมาอยู่เรื่อยๆให้มันหมดไปถ้าเราได้ ความรู้ขั้นที่สามถ้าเราสามารถเข้าถึงความรู้ขั้นที่สามคือขั้นภาวนาไมายปัญญาได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะเราจะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนั่นเอง น, นี่แหละคือเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนามีไว้เพื่อสอนให้เรามาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจกัน ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อที่จะได้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเมื่อหมดแล้วความทุกข์ก็จะหายไปหมดการเกิดแก่เจ็บตายก็จะสิ้นสุดลงเราก็จะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย นี่แหละเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่อยากจะมาบอกให้ทราบในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตตินังเปตานังอุ ป, ปกาปติ อิติตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพโปเลนโตจังกปาจันโทปันาอะราโสยธามณิโชติอะราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควีณัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาะ